แค่นี้ก็ทำให้ฉันสดใสพอหยุดน่ารักกัใครได้ไหมขอเธอชอบทำจนใจสลายเพราะกลัวเธอไปสะดุดตาใครอ่ะเราจะเป็นแบบนั้นก็คงจะทำให้ใ่ธอฉันเจ็บเกิน้องไม่ฉันต้องคิดว่าเธอนรักและมีเสน่ห์เกินแ<ต>ค<ง>่ว่าเธอสัญญาว่าจะไม่มีใครมาแต่เธอชอบลง story ฉันก็นีทใจว่าเธอนั้นก็อาจจะคิดว่าฉันน ต้องเจอคนมากมายอย่าทิ้งให้ฉันต้องทอรามารต์ตถ้าไม่ฉันมั่นใจว่าเธอไม่มีใครและเธอยังมีใจและวงเธอมาก็สิ่งหนาโอเคคนนี้บอกจบแล้วนะจบ อ, อันนี้กนะ็ไเป็นปัญหาเพราะเราไม่มีมาม่า้าเกิดว่าฉันรับบทเป็นจอห์ถ้าก็จะเป็นซารา่า ตาใครคับพี่น่ารักน้องคนเดียวไม่เคยไปเหลียวมองใครพี่อยากได้น้องมาเป็นภรรยาพี่สัญญาจะพาน้องไปงานวีวากอดกันข้ามกลางแสงดาวมีเพียงเราสองให้พระจันทร์เป็นพยานว่ารักของเราจะอยู่ไปชั่วนินวนรันดร์ ไ, ไม่มีแหวนเพชรไม่มีแหวน ท, อ ง, วนทองไม่มีโลหแห่งเกียรติยศไม่มีใครอยากจะมองแต่พี่ อยากได้น้องมาครอบครองเราสองคนจะสร้างมันเองให้คนอื่นเขามองกันทั่วหน้าเหมือนตำนานจอดกับซาล่าอยากให้ไปน่นรักกับใครมันทำให้ใจฉันไหว้วันนส้นกลัวว่าเธอจะไปจากฉันถ้ามใีใคร